แนวทางว่าลองรอยทางวัฒนธรรมของเรามันเคยเป็นมาอย่างเนี้ยแล้วก็ชาวโลกทั่วไปเขาก็ทํากันอยู่อย่างนี้คุ้นเคยแต่เรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่เล็กๆนะเราก็เห็นว่าการพัฒนาของจิตของมนุษย์เนี่ยค่อนข้างช้ามากเพราะว่าเราเกิดมาในมาในประเทศที่สมมุติไปอย่างเนี้ยสมมุติทางด้านมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรม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 ล่วงเกินไปสู่เขตของนามมันก็จะเป็นแปลงเป็นนาำ ม, มาลูกแต่ถ้าคนรู้เส้นแบ่งระหว่างรูปกับนามเนี่ยนามก็ยังเป็นนามรูปก็ยังเป็นรูปเราก็บริหารไปในส่วน พอเราควบคุมเวทนาอันเกิดจากไตรักษในในรูปพอดีเนี่ยมันจะเกิดไตรสิขาในนามโดยอตัตโนมัติของมันเลยโดยไม่ต้องไปสร้างต่อเมื่อใดเราไม่สามารถควบคุมกดใจรักษให้อยู่ที่รูปเนี่ยมันก็ไปก่อให้เกิดนามมะลูกไตรสิกขาก็ถูกกินเนื้อที่นามมะลูกคข้พินนที่ของไตสิขานามไม่สามารถราที่ปเป็นนามต่อไปได้มันต้องมีนามมะลูกเข้าไปคือเกิดความอื่นอัดความพอใจความขาดเคื่องความคิดและอารมณ์ต่างๆกินเนื้อที่เข้าไปแต่มันกําเนิดมาจากรูปเพราะฉะนั้น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 รูปนามระดับต้นระดับกลางและระดับสูงรูปนามระดับต้นเนีทำโดยสัญญาคือคอยกระตุ้นคอยจดจำว่าอาการยางมีสบายไม่สบายอาการยิงไม่สบายมากไม่สบายน้อยเราเราทำโดยอาการของสัญญาเรียว่ารูปนามเบื้องต้นรูปนามท้ากลางหมายถึงระลึกรู้ได้บ่อยขึ้นเห็นอาการของความไม่สบายกายแล้วปรับความไม่สบายกายให้สมดุลได้ง่ายขึ้นหรือว่ารูปนามโดยปัญญาในระดับกลางแต่ยังไม่สิ้นเชิง ยังไม่ชิเชยวบางครัง้งเราเผลอเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเผลอเปลี่ยนนี่บุโดยไม่รู้ตัวจนไปแล้วรูปนามระดับที่สามเรือรูปนามระดับยานหรือยานปัญญารูปนามระดับสัญญารูปดับระดับปัญญาและแลู่ดับระดับยานปัญญาพอเป็นรูปนามขั้นสูงแล้วนั่นแหละมันถึงจะเป็นวิปัสนาญาในใ น, ในลําดับต่อไป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 ไม่สอดที่เราจัดไม่สอดเนยเป็นโยงวิทาในการดูแลข้าวน้ำเอาปลาอาหารหาคุณมาปฏิบัติยมซีนวนนะถึงแก่มรณะภาพถึงแก่ตายไปสองสมวันนี้ก็เลยว่าไปเป็นเจ้าภาพสู่